การเวียนไหยตายเกิดมีธรรมะในอีกมุมมองหนึ่งที่ได้อธิบายให้รับรู้ในเรื่องของการเวียนไหวาตายเกิดให้มองเห็นในเรื่องของการเกิดบ่อยๆเกิดซ้ำๆเวียนไหวกันอยู่อย่างนั้นและการที่เกิดมาแต่ละครั้งแต่ละชาติก็ยังคิดว่าเป็นของใหม่เป็นตัวตนของตนที่น่ายึดถือน่าอยากได้ใครด่ดีตะเกียกตะกายไขว้คว้ า, าโน่นนี่มาเป็นของเราตลอดเวลา จึงยังต้องเวียนไหวไปมาในวัตัะสงสารอันหาที่สิ้นสุดมิได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้รู้ผู้ที่เห็นความน่าอดเด็ดอนาถในการเวียนไหวตายเกิดแล้วท่านได้พยายามมาบอกมาแนะนามาชี้แนะแนวทางให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติความน่ากลัวของวัตัะสงสารหากพิจารณาตามแล้วก็จะเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการไม่ใยดีไม่อยากได้ไม่อยากเป็น ไม่อยากที่จะยึดมั่นถือมั่นในการที่จะต้องมาวนเวียนเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็มีธรรมะในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งจะนํามาบอกกล่าวและเมื่อพิจารณาตามแล้วก็จะเห็นความน่าเบื่อหน่ายในการเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่านั้นและคลาจากความยึดมั่นถือมั่นได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติของวะตตสงสารนั่นเองเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ก็จะมีการเปรียบเทียบคั้นี้ใช้ได้ในทั้งสองสถานการณ์คือเกิดเป็นมนุษย์ตามภพชาติคือบ่อยๆซ้ำๆไม่รู้จบไม่มีที่สิ้นสุดนั้นก็ย่อมมีแต่ความทุกข์และเกิดจากความคิดที่คิดเป็นทุกข์ในแต่ละขณะคือไม่ว่าเกิดความคิดวิตกกังวลความขุ่นข้องหมองใจบ่อยเท่าไรก็ทุกข์เท่านั้นก็จะกล่าวในเรื่องแรกก่อนคือ เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ตามการเกิดในวะตะสงสารในภพชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเกิดในหลายภพชาตินั้นมากมายนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เทวดาพรมหรือในชาติภพอื่นๆมากมายแต่ให้สมมุติว่าเกิดเป็นมนุษย์ในทุกๆชาติเพื่อการเทียบเคียงกับในขณะนี้จะได้มีความเข้าใจมากที่สุด ตั้งแต่เกิดมาในวันแรกก็ที่มีการดิ้นรนแต่แรกเกิดมีพ่อแม่เลี้ยงดูจนอายุ 3-4 สขวบเข้าโรงเรียนเล่าเรียนจนอายุ20สิปีจบออกมาได้งานทำแก่งแย่งชิงดีในตำแหน่งหน้าที่เรื่องลาบยศสรนเสริญกันทำงานหาเงินอดออมไว้และพบคนรักได้แต่งงานกันพอมีลูกก็ต้องเร่งทำงานหาเงินเก็บออม เพื่อที่จะให้ลูกมีกินมีใช้พออายุ60ปีก็กเกษียณอายุลูกก็โตหมดแล้วก็คิดว่าเออได้พักสักทีเพราะทำงานตะเกียกตะกายหากินมาตลอดเวลา60ปีแต่พออายุ8ปสปีก็ตายเสียแล้วได้พักแค่20ปีเท่านั้นตายปุ๊บสมมุติเกิดปับ๊บเป็นเด็กทารกใหม่ก็เริ่มวงจรเดิมเกิดมาแล้วสามขวบก็เข้าโรงเรียน เรียนไปจนอายุยี่สิบปีจบออกมาทำงานหาเงินและพบคนรักแต่งงานมีลูกทำมาหากินมาทั้งชีวิตพออายุห0สิปีก็กเกษียณอายุก็คิดว่าเออได้พักสักทีแต่อายุ75้าปีก็ตายแล้วได้พักแค่ส5หปีก็มาเกิดวงจรเดิมเป็นเด็กทารกเรียนทำงานหาเงินแต่งงานมีครอบครัวทำมาหากินมีลูก พอลูกมีงานทำเราก็เกษียณอายุหกสปีพอดีเออได้พักสักทีแต่เจ็สิปีก็ตายแล้วเพราะโรคกุ่มเราได้พักแค่สิบปีเองก็มาเกิดวงจรเดิมอีกเป็นเด็กทารกใหม่เริ่มต้นเรียนใหม่ทำมาหากินกันใหม่แต่งงานมีลูกแล้วก็เกษียณเออได้พักสักทีแต่พอ8ปสห้าปีก็ตายแล้วเออชาตินี้ได้พักนานหน่อยห้าปี ก็เกิดใหม่อีกเรียนอีกทํางานอีกมีครอบครัวอีกหาเงินเลี้ยงลูกอีกอายุ60ปีจะได้พักสักหน่อยก็เจ็บก็ตายอีกแล้วแล้วก็ต้องวนมาเกิดเป็นเด็กใหม่อีกเรียนอีกทํางานอีกเลี้ยงลูกอีกเจ็บอีกตายอีกอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นตอนนี้แค่คิดว่าต้องเกิดมาเป็นเด็กใหม่อีกหรือต้องเรียนกันใหม่อีกหรือแค่นี้ก็เบื่อแล้วทุกข์แล้ว เพราะตราบใดยังต้องเกิดมาเพื่อทำมาหากินยังต้องเวียนไหวตายเกิดเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นนี่ยังกล่าวแค่การเกิดดํารงชีวิตทำมาหากินแบบปกติยังไม่ได้รวมในแต่ละชาติที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานความผิดหวังความสมหวังความสุขความทุกข์ที่ปนเปนกันไปในแต่ละขณะในแต่ละชาติด้วยนะแค่คิดว่าต้องเกิดอีกแล้วเป็นเด็กอีกแล้ว ต้องตะเกียกตะกายอย่างเดิมซ้ำๆอีกแล้วแค่นี้ก็จะเห็นความน่าเบื่อหน่ายในวะตาสงสารความไม่อยากที่จะต้องมาเกิดซ้ำๆแบบนี้อีกแล้วยิ่งหากเกิดมาแล้วไม่พบธรรมะที่จะนำพาให้พ้นทุกข์ได้ก็ยิ่งเสียเวลาในการเกิดแต่ละชาติเป็นอย่างยิ่งต้องวนเวียนอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ยังไม่นับในการแวะไปเกิดเป็นสัตว์บ้างในภพอื่นๆบ้างในบางชาติตามวิบากกรรมที่สร้างในแต่ละชาตินะ ถ้ามองเห็นถ้าพิจารณาตามก็จะเห็นความน่าเบื่อนหน่ายน่าอเดน็ดอนาดในการเกิดบ่อยๆเกิดซ้ำๆเกิดแล้วเกิดอีกเมื่อจะสิ้นสุดเสีทีแต่เพราะความไม่รู้การเกิดมาแต่ละชาติก็เหมือนรู้สึกว่าเป็นของใหม่เป็นคนใหม่เป็นตัวเราของเราชาตินี้วันนี้จึงกอบโกยทำมาหากินสะสมเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้าน ตายไปก็เอาไปไม่ได้ต้องเวียนไปเกิดเป็นเด็กใหม่แล้วตะเกียกตะกายสะสมกันใหม่อีกไม่รู้จบสิน้นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ชี้เห็นถึงความน่าเวทนาของการเวียนว่ายตายเกิดในพบมนุษย์นี้ซึ่งมีอายุสั้นนักแค่หนึ่งปีก็ตายกันแล้วจะยั ง, ย, งยึดมั่นถือมั่นกันอยู่ทำไมปัจจุบันก็คือปัจจุบันทุกอย่าง ไหลไปตลอดเวลาดังนั้นปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่สุดความคิดในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันแล้ววางลงเพราะเมื่อวางได้แล้วเราก็จะได้ความว่างในปัจจุบันจะรอไปปล่อยวางไปเห็นความว่างในอนาคตไม่ได้เพราะมันจะไม่มีเกิดขึ้นจริงอย่างเช่นหาเข้าไปอยู่ในความคิดทุกไปกับความคิด ผ่านไปสักหนาทีแล้วเพิ่งนึกได้ก็ไม่เห็นในปัจจุบันแล้วเพราะปัจจุบันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปหนาทีแล้วจึงยังต้องทุกไปก่อนแล้วค่อยย้อนเอาอดีตมาเป็นบทเรียนในปัจจุบันอย่าลืมว่าปัจจุบันก็คือปัจจุบันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่เท่านั้นแม้แต่การไปคิดถึงอดีตแท้จริงก็เป็นปัจจุบันเพราะเหตุการณ์ในอดีต เมื่อคิดวันนี้เดี๋ยวนี้มันก็กำลังออกมาจากหัวเราออกมาจากสมองของเราออกมาเป็นความคิดเราในปัจจุบันนี้ในวินาทีนี้ในเดี๋ยวนี้นั่นคือปัจจุบันของการคิดถึงอดีตอาจจะงงสำหรับหลายท่านและหลายท่านเริ่มเข้าใจว่ามันซ่อนกันอยู่อย่างนี้เมื่อเห็นความคิดความรู้สึกอารมณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่เห็นว่ามีตัวตนของตน มีตัวเราของเราที่ไหนมันจะไม่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะเห็นแค่กระแสของกลไกธรรมชาติที่มันกำลังไหลไปตามเหตุปัจจัยแต่ละขณะนั่นเองสมมุติว่าเราอยู่สบายๆแต่พอเห็นกุหลาบดอกสีแดงที่แม่ค้าเดินผ่านมาขายความคิดแวบเข้ามาทันทีเลยว่าเมื่อก่อนเราเคยซื้อกุหลาบอย่างนี้ให้แฟนคนเก่าในวันวาเวลนไทน์แต่เขากลับไปมีแฟนใหม่แล้ว ความคิดน้อยใจเสียใจดังที่เคยผ่านมาเมื่อหลายปีก่อนก็จะย้อนกลับมาได้อารมณ์หดหูเศร้าหมองไปกับความคิดที่ย้อนกลับมานั้นเหตุการณ์เกิดในอดีตแต่ความทุกข์เกิดในปัจจุบันความจริงความคิดเราห้ามกันไม่ได้มันจะย้อนไปข้างหลังมันจินตนาการไปข้างหน้าในอนาคตได้เสมอตลอดเวลาเพียงแค่มีวัตถุดิบมากระทบ หรือเหตุปัจจัยเก่าบ้างใหม่บ้างมากระตุ้นเล็กน้อยมันก็ไปแล้วห้ามไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากคิดก็ไม่ได้เพราะมันคิดให้เสร็จสับแต่ถ้ารู้จริงว่าต่อให้เป็นเรื่องราวในอดีตแต่ว่ามันก็กำลังใช้ปัจจุบันคิดอยู่ใช้สมองขณะ น, นี้ใช้ความคิดขณะ น, นี้ปรุงแต่งเรื่องเก่าอยู่ในขณะนี้ แต่เป็นปัจจุบันของเรื่องราวในอดีตขณะ น, นี้ปัจจุบันจึงจัดการได้อดีตแก้ไขไม่ได้เพราะผ่านมาแล้วปัจจุบันแก้ไขได้ถ้ารู้เท่าทันในปัจจุบันว่ากําลังคิดพูดทําอะไรอยู่อนาคตแก้ไขได้เพราะมันไม่มีอนาคตจริงอนาคตก็คือปัจจุบันเพราะไปคิดถึงอนาคตแต่ขณะคิดถึงอนาคตก็ต้องใช้ความคิดในปัจจุบันเป็นตัวคิด ดังนั้นอนาคตจึงไม่มีจริงมีแต่ปัจจุบันที่กำลังคิดถึงอนาคตเมื่อผ่านไปหนึ่งวินาทีความคิดที่คิดถึงอนาคตก็เป็นอดีตไปแล้วมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจได้แค่ไหนเท่านั้นถ้าเข้าใจปัจจุบันปล่อยวางในปัจจุบันเราก็จะอยู่กับปัจจุบันที่แม้ว่ามันคิดจะเอาเรื่องอดีตอนาคตมาคิดก็เรื่องของมันเพราะมันทาอะไรเราไม่ได้ เพราะมันก็แค่คิดในหัวของเราในความคิดของเราณตอนนี้ณเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันนี้ทางธรรมะพระปฏิบัติท่านจึงสอนจึงบอกให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่าฟุ้งซ่านไปกับอนาคตอย่าย้อนคิดไปในอดีตที่ผ่านมาเพราะมันไม่มีประโยชน์ใดๆเห็นอดีตเห็นอนาคตได้จริงก็ต่เมื่อเราเห็นปัจจุบันเพราะอดีตอนาคต ทั้งหลายทั้งปวงมันรวมอยู่ในปัจจุบันในหัวของเราในความคิดของเราณนะวินาทีนี้แล้วถ้าจะดับก็ดับในขันนี้ในความคิดนี้ถ้าจะปล่อยวางก็ปล่อยวางในขันนี้ในความคิดนี้ถ้ารู้เท่าทันขันห้าก็รู้เท่าทันทั้งโลกทั้งจักรวาลแล้วไม่ต้องไปสอหาทางดับทุกที่ไหนเลยเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น เหตุเกิดในขันห้าเขาว่าเราเขาเนินทาเราเขาก็ไปแล้วแต่เหตุที่เกิดอยู่นี่อยู่ในความคิดที่ปรุงแต่งว่าเราทำไมเนินทาเราทำไมคิดไปเรื่อยร้อนอกร้อนใจความทุกข์เกิดอยู่ข้างในแพดเผาอยู่ข้างในก็ยังไม่รู้คิดแต่จะไปดับที่ข้างนอกไปเปลี่ยนข้างนอกเปลี่ยนคนอื่นให้คิดเหมือนเราให้เห็นความดีของเรา อยเข้าใจเราผิดต้องออกไปถามไปหาสาเหตุไปเรียกมาคุยมาสนทนามาสอบถามมาเอาเรื่องเอาราวมาแก้กแค้นให้ได้แล้วมันจะจบไหมเนี่ยที่ต้องไปเปลี่ยนข้างนอกมันยากมันเหน็ดเหนื่อยมันเสียเวลาแต่ถ้าเปลี่ยนข้างในไม่ยุ่งยากไม่เด็ดเหนื่อยไม่เสียเวลาถ้ารู้ว่าเขาว่าเราเขาไปแล้วไปถึงไหนไหนแล้ว ไม่สนุกสนานเฮฮาที่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ใกล้ที่สุดทําร้ายเราได้มากที่สุดมันรวมกันอยู่ในขันนี้แล้วในความคิดนี้แล้วในวินาทีนี้เท่านั้นเข้าไปแล้วสองชั่วโมงความคิดปัจจุบันยังวนเวียนอยู่ในหัวในขันห้าแล้วก็ทําร้ายทิ่มแทงให้อารมณ์คุกกรุนมีแต่ความทุกข์เพราะความคิดตลอดเวลาถามว่าอันไหนใกล้เราที่สุด ทำร้ายเราได้มากที่สุดทำให้เราทุกข์เรากังวลได้มากที่สุดก็คงตอบว่าความคิดความรู้สึกความร้อนรนของอารมณ์ที่มันอยู่ในขันห้านั่นเองไอ้คนที่ว่าตอนนี้อาจไปนั่งกินข้าวสบายใจไปแล้วมันว่าแล้วมันก็ไปหรือเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่ความคิดความรู้สึกที่อยู่กับเรามันไม่ไปมันวนไปวนมาก่อให้เกิดทุกข์เรื่อยไป แต่สิ่งที่คิดมันก็ไม่ได้เป็นของเดิมต่อให้คิดอีกสักสิบรอบก็เป็นความคิดใหม่ทั้งสิน้นไม่มีความคิดของเดิมเลยแม้ต้นเหตุเป็นเรื่องเดิมแต่ความคิดต้องปรุงใหม่ทุกครั้งว่าเราทำไมผ่านไปแล้วว่าเราทาไมผ่านไปแล้วว่าเราทาไมผ่านไปแล้วแม้จะเป็นประโยคเดิมแต่การปรุงต้องเป็นของใหม่เพราะความคิดเก่าเมื่อผ่านออกไปแล้ว มันจะไหลผ่านไปเลยแม้คิดประโยคเดิมอีกครั้งความคิดก็ต้องปรุงประโยคเดิมใหม่ไม่ใช่ตามไปดึงประโยคเดิมที่คิดเมื่อครู่นี้กลับมาใช่อีกครั้งมันไม่ใช่มันต้องปรุงใหม่ทุกครั้งที่คิดเหมือนลมหายใจเมื่อหายใจออกไปลมหายใจก็ออกไปแล้วสลายไปแล้วเมื่อหายใจเข้ามาใหม่ก็จะไม่ใช่อากาศเดิมแม้จะอยู่บริเวณนั้นมันก็ไม่ใช่อยู่ดี แม้จะดึงอากาศของเก่ามาก็เป็นการหายใจครั้งใหม่อยู่ดีเพราะการหายใจครั้งเก่ามันผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเมื่อวินาทีที่ผ่านมาการอยู่กับปัจจุบันก็คือเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ปรุงไปเรื่อยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งปรุงแบบความสุขทั้งปรุงแบบความทุกข์แต่ทุกเรื่องมันเป็นการปรุงในปัจจุบันทั้งสิ้น แต่และการปรุงในปัจจุบันก็จะมีตัวอุปทานมาคอยดักเกาะปรุงสุขใช่ไหมเก่อปับ๊บก็จะมีตัวเราผู้มีความสุขปรุงเรื่องทุกข์ใช่ไหมก็จะมีตัวอุปทานมาคอยดักเกาะก่อปับ๊บรับผิดชอบปับ๊บมีตัวเราผู้ทุกข์ทันทีปรุงสุขปรุงทุกข์ใช่ไหมปรุงไปตามสบายก็แค่เห็นว่ากําลังปรุงอะไรในปัจจุบันในทุกขณะในทุกสภาวะทุกขณะจิตเท่านั้นแหละ แก้ปัญหาทั้งโลกทั้งจักรวาลได้ในขณะจิตเดียวก็คือรู้เท่าทันขันห้ารู้เท่าทันการปรุงแต่งรู้เท่าทันอวิชชาที่มีกิเลสตัณหาอุปทานมาคอยหลอกล่อให้ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าความทุกข์ถ้ารู้ไม่เท่าทันก็เกิดจากอุปทานเหล่านี้แหละที่มันคิดว่ามีตัวเราก็เลยมีความทุกข์ความสุขที่เป็นของเราแต่ถ้ารู้เท่าทัน ทุก็แค่ความคิดสุขก็แค่ความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นความสุขความทุกข์มันไม่ได้มีจริงเป็นความคิดที่ปรุงแต่งออกมาและไปกระตุ้นสารเคมีให้หลั่งออกมาตามความคิดนั้นๆคิดว่าพอใจถูกใจคิดถึงคนรักคิดว่าจะได้ไปเที่ยวจะไปหาเพื่อนความคิดนี้ก็ไปกระตุ้นสารเคมีประเภทเอโดรฟินให้หลั่งออกมา ร่างกายก็เลยมีความสดชื่นอารมณ์ดีมีความกระชุ่มกระชวยเราก็เลยคิดว่านี่เป็นความสุขแต่พอคิดโมโหฟุ้งซ่านขัดอกขัดใจไม่พอใจกังวลไม่สบายใจสารเคมีก็หลั่งมาตามความคิดก็เลยมีความรู้สึกร้อนรนหดหูเศร้าหมองมึนซึมตามสารเคมีในสมองที่หลั่งออกมาตามความคิดในแนว น, นั้นๆ้เราก็เลยคิดว่าเรากาลังทุกข์ ทุกอย่างก็อยู่ในปัจจุบันตัวความคิดเปลี่ยนความคิดหรือดูความคิดที่กําลังเกิดขึ้นว่าจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับความคิดปรุงแต่งที่มันปรุงไปเรื่อยก็แค่ดูให้เห็นว่าคิดอะไรแล้วไม่ต้องไปดับให้มันหายเพราะยิ่งดับมันยิ่งฟุง้งก็เป็นแค่ผู้ ด, ดูดูมันปรุงเข้าใจว่ากําลังปรุงเรื่องอะไรแล้วก็วางเฉยเสียอย่าไปยุ่งกับมันรู้เข้าใจ ปล่อยวางเดี๋ยวมันก็ผ่านเลยไปก็ทำวิธีไหนก็ได้ก็จะสามารถจัดการสิ่งที่คิดว่าเป็นความทุกข์ได้ทั้งสิ้นนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของคำว่าปัจจุบันเป็นการรู้เท่าทันขันห้ารู้เท่าทันความคิดในปัจจุบันข้อความเหล่านี้คงพอมีประโยชน์กับหลายๆท่านโลกนี้คือละคร เมื่อใดที่ยังคงวนเวียนอยู่ในวัตฏสงสารก็จะต้องแสดงบทบาทต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดในโรงละครแห่งสังสารวัตนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละบทบาทลองคิดดูเล่นๆก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ในหนึ่งชาติก็ต้องแสดงมากมายหลายบทบาทเหลือเกินแค่เกิดเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็มีตั้งหลายบทบาทมาตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเชียวรับบแรกเป็นเด็ก เป็นลูกของพ่อแม่แล้วรับบทเป็นพี่ของน้องตอนนี้รับบทเป็นสามีพ่ออีกหน่อยรับบทเป็นพ่อแล้วก็รับบทเป็นลุงเป็นปู่เป็นอะไรต่อมีอะไรเรื่อยไปความเอรุงตุงนังมันมากกว่านั้นในขณะเดียวกันขณะรับบทเป็นพ่อของลูกเราก็ยังต้องรับบทเป็นลูกของพ่อแม่เราแล้วก็ยังรับบทเป็นสามีของภรรยา ในขณะเดียวกันก็รับบทเป็นปู่ของหลานรับบทเป็นพี่ของน้องรับบทเป็นหลานของปู่เป็นลุงของหลานอะไรมากมายเกินจะนับญาติถ้าเราเกิดมาแล้วนับแสนแสนชาติเราก็จะมีพ่อมาแล้วนับสแสนแสนมีภรรยามาแล้วนับแสนแสนคนมีลูกมาแล้วเป็นแสนสองแสนคนมีพี่น้องมีหลานมีปู่ย่าตายายมาแล้วนับแสนแสนคนเช่นกัน และเราต้องรับบทอย่างนี้มาแล้วหลายแสนหลายล้านครั้งไม่เบื่อกันบ้างหรือไรเนี่ยยังไม่นับบทอื่นๆที่ร่วมมาให้แบกอีกนะบทลูกจ้างที่ต้องคอยทำงานให้เจ้านายหรือบทเป็นเจ้านายที่ต้องคอยคุมคอยดุด่าว่ากล่าวลูกจ้างบทคนใช้ที่ต้องเอาใจเจ้านายบทคนค้าขายที่ต้องหวังกำไรบทคนทำมาหากินด้วยความทยานอยากบทคนหาเช้ากินข้ามประทังชีวิต บทคนมียศตำแหน่งบทนายร้อยบทนายพันบทนักการเมืองบทครูบทอาจารย์อารมณ์ความรู้สึกความคิดก็ย่อมแตกต่างกันไปตามบทนั้นๆจึงมีบทบาทมากมายที่เกาะกลุมรุมล้อมตัวเองเอาไว้แล้วแต่ละบทก็เล่นไม่เหมือนกันบทพ่อก็เล่นแบบหนึ่งบทสามีก็เล่นแบบหนึ่งบทเจ้านายก็เล่นแบบหนึ่งบทลูกน้องก็เล่นแบบหนึ่ง บทลุงบทปู่ก็เล่นแบบหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกความคิดก็ย่อมแตกต่างกันไปตามบทนั้นๆคนที่แสดงบทเป็นอาจารย์ก็ต้องเล่นบทลูกศิษย์พร้อมๆกันไปด้วยเมื่อเข้าไปหาอาจารย์ที่สอนมาก่อนและอาจารย์ของเราก็เล่นบทลูกศิษย์เมื่อไปหาอาจารย์ต่อๆไปแล้วบทไหนที่เป็นบทจริงๆของเราละ่ะแล้วเราอยู่ตรงไหนแล้วยังไงมันอรุงตุงลังกันไปหมด ถ้ายังไม่ว่างจากตัวตนจากสิ่งที่คิดว่าเป็นของตนจะไม่มีการหยุดพักไม่ว่าอิริยาบถไหนที่ไหนเมื่อไหร่ในโลกดังที่ธรรมะได้กล่าวไว้พอวิญญาณออกจากร่างก็เลิกสมมุติเลิกเป็นสามีเลิกเป็นพ่อแม่เลิกเป็นพี่น้องต้องไปวนเวียนใหม่ในวงจรของเหตุปัจจัยที่สร้างไว้ในชาติที่ผ่านมาถ้ายังยึดติดในบทบาท ถ้ายัางคิดว่าเป็นอัตตาตัวตนของตนจริงๆจะไม่มีวันพบกับความสงบได้เลยเพราะทุกบทบาทมีแต่ความวุ่นวายความหนักอกหนักใจทั้งสิ้นหากมีตัวตนผู้รับผิดชอบจริงๆแล้วทุกสิ่งเป็นธรรมชาติที่มันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้และมันไม่ได้เป็นตัวใครของใครจริงๆเป็นสิ่งสมมติตามเหตุปัจจัยเท่านั้นการที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ยังต้องรับบทต่าง ๆ, ๆเรื่อยไปนั้นก็เพราะมีอุปทานว่ามีตัวเราเป็นผู้เกิดอยู่เป็นผู้มีตัวตนอยู่และเราเป็นผู้ตายไปนั่นเองอุปทานว่ามีตัวเราก็ยังอยู่แม้ว่าร่างกายมันจะนอนเหมือนท่อนไม้ใช้การไม่ได้แต่ถ้ายังมีความรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่อวิชชาคือความไม่รู้จริงมันก็จะดึงเอาดินน้ำลมไฟมารวมกันอีกครั้ง เมื่อเกิดเป็นตัวเราอีกครั้งในชาติต่อไปนั่นเองเราจับได้ว่าไอ้ความหลงผิดไปอุปทานว่ามีตัวเราอยู่นั่นแหละคือปัญหาที่ต้องจัดการละทำอย่างไรจรึงจะทำให้ความยึดมั่นว่าเป็นตัวเราหายไปเมื่อไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวเราสิ่งที่เคยเป็นของเราจรึงย่อมไม่มีไปด้วยโดยอัตโนมัติแต่ทุกวันนี้บางท่านปฏิบัติจนมีความเข้าใจว่า นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วปล่อยวางอัตราตัวตนจนไม่ทุกข์กับตัวเราได้ในระดับหนึ่งแต่พอมองคนอื่นกลับเห็นว่ามีตัวเขามีตัวตนของเขาอยู่มีสัตว์บุคคลตัวตนมีเรามีเขาอยู่ดังนั้นคนรอบข้างก็เลยมีอิทธิพลกับความรู้สึกทําให้เราสุขเราทุกข์ได้ถ้าเรารู้จริงว่าเราก็สมมุติคนอื่นๆก็สมมุติเช่นกัน ถ้ารู้จริงๆว่าเรามาแสดงบทบาทเหล่านี้ในแต่ละชาติในโรงละครแต่ละโรงนั้นคนอื่นๆก็มาแสดงบทบาทของเขาเช่นกันในแต่ละโรงละครแต่ละชาตินั้ น, น, นเช่นกันแล้วอะไรคือของจริงของจริงไม่มีไม่มีตัวใครของใครทั้งสิน้นทุกอย่างล้วนเป็นธรรมชาติทุกสิ่งเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเข้าด้วยกัน ความมีอุปทานว่าเป็นตัวเราเป็นผู้ดึงดูดดินน้ำลมไฟมารวมกันได้ไม่มีที่สิ้นสุดอวิชชาคือความหลงว่ามีตัวเราอยู่ตัวเรามีอยู่ตัวเราเกิดมานั่นเองคือปัญหาของการต้องมาเกิดอีกเมื่อยังคิดว่ามีตัวเราอยู่เมื่อใดก็ต้องเกิดอยู่ร่ำไปนั่นเองจุดสําคัญที่ต้องตีให้แตกก็คือความรู้สึกที่เป็นตัวเรา เมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ว่ามันกำลังเล่นละครกาลังดาเนินไปใ น, นกลไกของธรรมชาติอย่างนั้นเองไม่มีอดีตจริงไม่มีอนาคตจริงๆมีแต่ปัจจุบันกาลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ในขณะนี้ในปัจจุบันนี้นั่นแหละตัวตนก็จะไม่เกิดขึ้นธรรมะจึงให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน ที่เหลือก็แสดงตามบทตามสมควรที่ขันห้ามันจะดาเนินไปดังนั้นเมื่อเข้าใจว่าเรากำลังมาแสดงตามบทบาทในแต่ละชาติที่ถูกผลักดันตามเหตุปัจจัยที่สร้างมาด้วยความไม่รู้นั้นในชาติปัจจุบันก็เลยต้องมารับบทอย่างนี้อย่างนี้ต้องทุกข์มากอย่างนี้ต้องผิดหวังสมหวังอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเองตามบทถ้ามีความเข้าใจในบทบาทนั้น ในสิ่งที่ต้องเผชิญตามบทนั้นๆจะมีสติไม่หลงไหลไปในบทบาทต่างๆที่กำลังแสดงอยู่และเริ่มไม่ยึดติดในบทที่ต้องแสดงนั้นเพราะเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนบทไปเรื่อยๆนั่นคือเริ่มจะไม่มีตัวตนเป็นคนจริงๆเป็นเราจริงๆเริ่มเข้าใจในกลไกของขันห้าเริ่มจางคลาจากการยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนของตนจึงเท่ากับมีการปล่อยวางได้ในระดับหนึ่ง ตามกลไกของธรรมชาติโดยปกติแล้วบุคคลทั่วๆไปในทุกความคิดทุกการตัดสินใจจะพลวัตอยู่ด้วยคาว่ามีเรามีเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเราก็ต้องมีเขาเป็นเรื่องธรรมดาแม้บางครั้งมีการปฏิบัติธรรมเข้าใจในธรรมชาติจนแทบจะไม่เหลือตัวเราให้ยึดเกอะแล้วก็ตามแต่การมองบุคคลอื่นๆรอบๆตัวเรา ก็ยังคงเห็นเป็นตัวเขายังเห็นเป็นตัวตนของเขาอยู่ก็จึงยังคงต้องปะทะ ก, กับโลกธรรมแปดอยู่นั่นเองยังมีการห่วงลาบห่วงยศห่วงสรรเสริญห่วงสุขไม่อยากเสื่อมลาบไม่อยากเสื่อมยศไม่อยากให้คนนินทาไม่อยากทุกข์การที่จะอยู่เหนือโลกธรรมแปดได้นั้นต้องใช้ปัญญาต้องใช้การพิจารณาอย่างยิ่งต้องปฏิบัติให้เห็นจริงด้วย ความกลัวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขังเราไว้ในวะตาสงสารจะเป็นตัวตีกรอบให้ต้องอยู่ในวังวนของสังสารวัตรอันยาวนานอันจะหาทางออกไม่ได้เรามาลองสังเกตความกลัวให้ดีแล้วจะเห็นว่ามันเป็นตัวการโอบล้อมให้เราอยู่แต่ในกรอบที่มันตีไว้จะทําอย่างนี้กลัวเขาว่าอย่างนั้นจะทําอย่างนั้นกลัวเขาว่าอย่างนี้ความกลัวมีหลายระดับ ในขั้นหยาบๆก็คือห่วงรูปขันจะไปเที่ยวกลัวรถคว่ําจะไปซื้อของกลัวโดนวิ่งราวจะนั่งแท็กซี่กลัวโดนจี้จะไปถอนเงินกลัวโดนปล้นจะทําอะไรก็กลัวอันตรายแทบถึงสิ้นหรือกลัวจะเจ็บกลัวจะแก่กลัวจะตายกลัวสิ่งที่รักจะจากไปกลัวสิ่งนี้จะหายสิ่งนี้จะผุพังแตกสลาย จิตจ้อหวั่นไหวขึ้นลงอยู่กับความหวาดระแวงนั้ น, น, นในระดับห ย, ยาบๆหลายท่านก็ผ่านกันไปแล้วไม่สนใจรูปขันหากเลือกลงไปอีกก็ยังคงถูกความกลัวกักขังไว้อีกชั้นหนึ่งกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะเข้าใจผิดกลัวเขาจะเกลียดกลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะหาว่าเพี้ยนกลัวเขาหาว่าจะโน่นนี่นั่นไม่ว่าจะอีกสักกี่กลัว นั่นคือการมองออกไปกระทบกับภายนอกทั้งสิ้นจึงมองไม่เห็นว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นภายในกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรจะทำอย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นว่าจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้บน่นทำอย่างนี้คนนั้นชมทำอย่างนั้นคนโน้นนินทาจะไปหาเพื่อนคนนี้เดี๋ยวเพื่อนคนนั้นไม่ชอบจะไปหาเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวเพื่อนคนนี้ต่อว่าเพราะไม่ถูกกัน จะไปที่นี่เดี๋ยวที่โน่นว่าจะไปแต่ที่โน่นเดี๋ยวที่นี่ไม่พอใจจะทำอะไรก็เกรงใจทางโน้นห่วงใยทางนี้เบื่อทางนั้นอยู่ตลอดเวลาสารพัดปัญหาสารพันเรื่องราวจึงมีแต่ความสับสนความวุ่นวายที่อัดแน่นอยู่ข้างในแล้วจะแก้ไขอย่างไรดีไม่ต้องไปแก้ที่ไหนมันอยู่ใกล้ๆ ก, กับเรานี่เองอยู่ที่ว่าเรามองเห็นมันหรือไม่เท่านั้น เมื่อมองยังไม่เห็นเราก็ยังอยู่ในโลกธรรมยังขึ้นลงอยู่กับสภาวะอารมณ์ที่ยังอินอยู่กับลาบยศสรนเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศเินธาทุกขยังออกกันไม่ได้ความสงบความว่างความเบาสบายจึงยังไม่มียังต้องขึ้นลงกับทุกขสุขเพราะการมองที่ยังไม่เห็นความเป็นธรรมชาตินั่นเองแต่ถ้ารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความกลัว รู้เท่าทันขันห้าเราจะอยู่เหนือโลกธรรมแปดได้ไม่ใช่สิ่งที่เหลือเชื่อเลยแค่รู้เท่าทันขันห้าเราก็สามารถรู้เท่าทันโลกทั้งโลกรู้เท่าทันธรรมชาติรู้เท่าทันจักรวาลรู้เท่าทันวตาสงสารได้สรุปลงมาเหลือนิดเดียวอยู่ใกล้นิดเดียวคือในขันห้าเท่านั้นไม่ต้องไปเรียนรู้ให้หมดทุกสาขา ไม่ต้องไปสอหาสถานที่ทั่วโลกไม่ต้องไปฝึกฝนวิชาให้มากมายจากที่ไหนเลยเพราะห้องเรียนอยู่ในขันห้าอยู่ด้วยกันนี่เองความกลัวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความกลัวก็คือความคิดที่กำลังคิดว่ากลัวอยู่อย่าลืมว่ามันเป็นแค่ความคิดที่มันกำลังคิดว่ามันกลัวอยู่มันไม่ได้มีความกลัวอยู่จริง แต่มันคิดว่ากลัวเมื่อเราเห็นความคิดก็เท่ากับเราเห็นความกลัวเมื่อเราปล่อยวางความคิดก็เท่ากับเราปล่อยวางความกลัวเมื่อไม่มีความคิดก็ไม่มีความกลัวเมื่อรู้เท่าทันความคิดก็รู้เท่าทันความกลัวอย่าไปกลัวไอ้ความกลัวนั้นคืออย่าไปกลัวไอ้ความคิดที่มันกำลังคิดกลัวนั่นคือการซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง คือฉันไม่กลัวไอ้ความกลัวที่แกคิดขึ้นมาฉันตัวนี้คือท่ารู้ที่มีปัญญาที่เฝ้าดูขันห้ามันทํางานแกตัวนั้นคือสังขารที่ปรุงแต่งความคิดที่กําลังคิดว่ากลัวกลัวโน่นกลัวนี่กลัวนั่นสารพัดเมื่อเราเห็นความคิดที่กําลังคิดกลัวเราก็จะยิ้มได้ว่าคิดกลัวอีกแล้วคิดกลัวโน่นกลัวนี่คิดห่วงโน่นห่วงนี่ คิดกังวลล้นกังวล น, นี้ไปสารพัดแล้วหากปล่อยให้มันคิดนานไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมความคิดกลัวนี้ก็จะไปเร่งสารเคมีที่ทําให้เกิดอารมณ์หวาดกลัวหวาดวันสะดุ้งผวาขันห้าก็จะมีอาการใจเต้นหวาดระแวงหรือวิตกกังวลรุ่มร้อนสะดุ้งสะเทือนไปเราก็เลยดูคล้ายคุณกําลังกลัวกําลังทุกข์นั่นเอง แต่แท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรรกแค่มันกำลังคิดคิดคิดด้วยสัญญาที่เคยบันทึกไว้มานานแล้วว่าถ้าเจอสิ่งนี้ต้องคิดแบบนี้เช่นคนกลัวงูพอเห็นงูเลื้อยผ่านมาความจำทำงานรู้ทันทีว่างูความคิดกลัวก็เข้ามาทันทีแล้วก็ปรุงแต่งต่อว่ามันจะกัดเรามันจะฉกเราทาั้งทั้งที่อยู่ห่างตั้งมาก ความหวาดระแวงความรู้สึกอ่อนแรงก็ตามมาเพราะสารเคมีประเภททำให้เกิดอารมณ์ความกลัวหลังหลังสารเคมีมากไปอาจเป็นลมไปเลยก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะขันห้าคือบันทึกไว้มันก็ส่งออกมาอย่างนี้แหละอันดับแรกอันดับต่อไปตั้งหลักให้ดีต้องมีสติให้ทันพอคิดว่ากลัวใจใสัน่นเราก็ลองมองเข้าไปในความคิดว่าเรากลัวอะไร เรากลัวจริงหรือความกลัวมีสาเหตุมาจากอะไรอ๋อมันกำลังคิดว่ากลัวกาลังปรุงแต่งกันใหญ่พอมีสติหยุดมองก็จะเห็นว่ามันกาลังเรียงต่อกันไปเป็นสายความคิดเลยทุกอย่างเป็นแค่ความคิดเท่านั้นคิดออกมาจากหัวเดียวกันนี้คิดดีคิดไม่ดีคิดกล้าคิดกลัวมันเท่ากันเพราะมันเป็นแค่ความคิดและก็ออกมาจากหัวเดียวกันทั้งสิ้น ออกมาจากสมองเดียวกันที่ตั้งอยู่ในขันห้านี้ไม่ได้มาจากที่ไหนเลยดังนั้นการที่จะดักจับความคิดความกลัวความกังวลก็ต้องดักจับที่หัวของเราที่ความคิดของเราง่ายสุดแล้วไม่ต้องไปดักจับภายนอกเลยถ้าคนเขาว่าเราบ้าว่าเราเพี้ยนเราจิตหลอนขั้นแรกไม่ต้องไปจับที่ต้นเหตุคือเขา แต่ให้มองเข้าไปข้างในขันห้าของเราอ๋อเราก็จะเห็นกลไกการทำงานของมันเริ่มขึ้นมันเริ่มคิดแกมาว่าฉันทำไมมันกาลังปรุงแต่งว่าแกมีสิทธ์อะไรเดี๋ยวจะต้องไปจัดการและเห็นว่ามันกำลังมีอารมณ์ร้อนรนเริ่มโกรธหน่อยๆแล้วมันกาลังโมโหมากขึ้นแล้วเมื่อเห็นแทนที่จะโกรธกลับอาจจะขำด้วยซ้ำไปที่เห็นว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมานานแล้ว เมื่อเห็นก็จะสามารถจัดการกับอารมณ์นั้นๆได้เรียกว่ามีสติในการมองเห็นการทำงานของขันห้าจัดการกับความทุกข์ในขันห้าไม่ต้องไปชกหน้าไอ้คนที่ว่าเราเลยทุกอย่างแก้ไขได้ถ้ามีสติมีปัญญามีการพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางรู้เข้าใจปล่อยวางรู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรเข้ามากระทบในขณะนี้ เข้าใจถึงการทำงานของกลไกขันห้าว่าเมื่อเกิดอย่างนั้นมันต้องปรุงแต่งอย่างนั้นมันต้องปรุงแต่งอย่างนี้เป็นธรรมดาปล่อยวางให้เห็นว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องธรรมดารู้เข้าใจในภาวะอารมณ์ที่เข้ามากระทบในขณะนั้นมันเกิดขึ้นมันอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราเป็นผู้ทุกข์ทุกเป็นของเรา เท่านั้นก็พอความทุกข์ความจริงแล้วมันไม่มีมันมีแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งให้สารเคมีแต่ละซีซีหลั่งออกมาแล้วเกิดปฏิกิริยาไปตามนั้นแต่จะมีใครสักกี่คนที่มีความเข้าใจเช่นนี้เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมันล้วนแต่คิดว่าเป็นความทุกข์ของเราทั้งสิน้นแล้วจะกล่าวว่าความทุกข์ไม่มีจริงได้อย่างไร จริงๆแล้วทุกอย่างเป็นวงจรเป็ น, นกลไกเป็นเหตุปัจจัยเป็นไปอย่างนั้นเองเมื่อตากระทบรูปก็รับมาสัญญาจําได้พรุงแต่งต่อไปว่าชอบไม่ชอบแล้วหลังสารเคมีออกมาก็เกิดเวทนาคืออารมณ์ในขณะนั้นนั้นสารเคมีที่ส่งผลให้อารมณ์จับใสแช่มชื่นเบิกบานที่เรียกว่าอารมณ์สุข สารเคมีที่ส่งผลให้อารมณ์หดหูเศร้าหมองมึนซึมร้อนรนโมโหเรียกว่าอารมณ์ทุกข์แล้วอุปทานเข้าไปยึดปั๊บว่าอารมณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นตามสารเคมีในขันห้านั้นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นอารมณ์เรากําลังสดชื่นเป็นเรากําลังขุ่นมัวเป็นเรากําลังวิตกของวลไปยอมรับว่าขันห้าเป็นของเราอารมณ์เป็นของเราความสุขทุกข์ ก็เลยต้องเป็นของเราไปด้วยหากไม่มีใครเข้าไปรับผิดชอบได้แต่เฝ้าดูมันทําของมันไปดูมันปรุงแต่งของมันไปมันก็ยังคงหมุนไปตามกลไกของมันมันไม่สนด้วยว่าจะมีใครไปสุขไปทุกข์กับอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่เรียกว่ารู้เท่าทัานอารมณ์ก็สามารถถอดสลักออกจากวงจรความทุกข์คือถอดความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเรา ผู้เข้าไปรับว่าสุขว่าทุกนั่นเองความทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะไม่ครบวงจรมีแต่ธรรมชาติหมุนไปเรื่อยตามเหตุปัจจัยแต่ไม่มีตัวใครเข้าไปหมุนอยู่ในวงจรความทุกข์นั้นในขณะเดียวกันทุกอย่างก็ยังคงดำเนินไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นระเบิดเราไม่จะเป็นต้องทำลายระเบิดทั้งลูกให้หมดไปแต่แค่ตัดวงจรการระเบิดออกปลดสลักหรือว่าตัดสายไฟวงจรก็ทางานไม่ได้ แล้วการระเบิดก็ไม่มีเมื่อรับรู้เข้าใจปล่อยวางรับรู้ทุกขั้นตอนเข้าใจใ น, นกลไกของธรรมชาติเข้าใจการทำ ง, งานของขันห้าและไม่อุปทานว่ามีตัวเราผู้กำลังกังวลกำลังทุกข์วงจร น, นั้นก็ไม่สมบูรณ์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้มันถูกตัดไปโดยอัตโนมัติเบืองครั้งการตัดฉับพลันเหล่านี้บางท่านก็ยังงงว่าอา้าเราเป็นอะไร ทำไมเราไม่ทุกข์เลยทำไมเราไม่รู้สึกกังวลเลยทำไมเราไม่รู้สึกเสียดายเลยทำไมเราไม่โกรธเลยนี่คือความเป็นธรรมชาติคือความว่างว่างจากการปรุงแต่งคือสงบได้ท่ามกลางความวุ่นวายจากสิ่งที่กำลังกระทบอยู่ก็ตามทีแต่เพราะปัจจุบันนี้เราถูกปิดกั้นให้เห็นความจริงของธรรมชาติถูกสอนให้มีความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ ถูกสอนว่ามีตัวเรามีของเราตั้งแต่เกิดมาตามตามกันมาก็เลยมีความเข้าใจว่าโลกนี้มีจริงตัวเรามีจริงดังนั้นเขาทั้งหลายมีจริงจึงมีจริงของทุกอย่างจึงมีจริงจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ไปยอมรับว่าเขาว่าเราต้องโปรธถ้าเขาชมต้องปลื้มใจเวลาคนให้ต้องยินดีเวลาของพังต้องเสียดาย เวลาของหายต้องกังวลหากไม่เป็นไปตามนี้ก็ถือว่าผิดปกติไม่รู้สึกรู้สาเลยหรือไรนั่นก็เพราะเราไปยินยอมรับในกติกาของสังคมกติกาของขันห้าว่าเกิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ต้องรู้สึกอย่างนี้ต้องมีเราเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์แต่พอมันไม่ปรุงแต่งไม่เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเรื่องงงว่า เมือนเกิดอะไรขึ้นทำไมเรารู้สึกเฉยๆทำไมเราไม่ทุกข์ไม่วิตกกังวลไม่รู้สึกเสียดายเราผิดปกติไปหรือเปล่าเมื่อวงจรการเกิดทุกข์มันไม่ครบมันถูกถอดสลักอุปทานขันห้าออกไปแล้วความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีตัวใครเป็นผู้ทุกข์วงจรของขันห้ามันก็ยังคงหมุนไปตามกลไกของธรรมชาติแต่ไม่มีตัวใครหลุดเข้าไปในวงจรของมันนั่นเอง แล้วมันอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับไปธรรมะธรรมชาติมีหนึ่งเดียวไม่เคยแบ่งแยกมีแต่อวิชชาคือความไม่รู้เท่านั้นที่เป็นตัวแบ่งแยกให้มีการเปรียบเทียบให้มีความเหลื่อมล้าต่ำสูงให้มีการแข่งขันกันในความรู้ในศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่แต่ละคนเชี่ยวชาญแต่โดยความเป็นธรรมชาติแล้วทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ได้เป็นไปตามแนวความคิดของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นเองตามธรรมชาติ <ộc BER> ถ้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นคนหนึ่งเข้าใจว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและมันต้องขึ้นอย่างนี้ทุกวันแต่อีกคนเข้าใจว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและมันจะขึ้นทางทิศตะวันตกทุกวันอีกคนคิดว่าขึ้นทางทิศเหนือและมันจะขึ้นทางทิศเหนือทุกวันแม้จะทุ่มเถียงกันไปมาอย่างไร พระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศนั้นอยู่ดีไม่ว่าคนจะเรียกทิศนั้นว่าตะวันออกตะวันตกเหนือใต้พระอาทิตย์ไม่ได้สนใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมันยังคงทำไปตามธรรมชาติคนสามคนยังทุ่มเทียงกันไม่สิ้นสุดความทุกข์ความสุขความร้อนรนกระวนกระวายก็ยังคงเกิดกับบุคคลเหล่านั้นต่อไปเพราะต่างต้องการให้เป็นไปตามความเห็นของตนดังนั้น กาตัดสินใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากมุมมองเท่าที่เห็นโดยใช้ความไม่รู้จริงตามธรรมชาติก็ย่อมมีแต่ว่าจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งผิดข้างใดข้างหนึ่งถูกอยู่ตลอดเวลาและการทุ่มเถียงกันก็ไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือดูเข้าไปในสภาวะจิตขณะนั้นขณะที่มีการตัดสินลงความเห็นขณะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่มีการกล่าวถึงบุคคลอื่นๆอยู่นั้น สภาวะข้างในกำลัง ม, มีความรู้สึกแบบใดร้อนรนไหมขึ้นลงด้วยแรงโทสะโมหะไหมหากมีความร้อนรุ่มในสภาวะจิตในขณะนั้นนั้นควรจัดการกับสภาวะจิตของท่านก่อนสิ่งอื่นใดเพราะเรื่องนี้เร่งด่วนและจำเป็นที่สุดสำหรับท่านเมื่อจะเป็นต้องไปจัดการกับสภาวะภายนอกเลยดังนั้นการปฏิบัติจึงมีหลากหลายวิธีตามแต่จริตของแต่ละบุคคลนั้น จึงไม่มีการปฏิบัติแนวทางใดดีกว่ากันทุกแนวทางเป็นไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลนั่นเองการแบ่งแยกการเอาความเห็นของตนเองตัดสินจึงไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติได้เพราะไม่ว่าใครจะเข้าใจว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดก็ตามพระอาทิตย์ก็ยังคงขึ้นอยู่อย่างนั้นนั่นเองข้อแรกสุดของขบวนการ หรือวิธีทางที่จะพ้นจากทุกได้ก็คือต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังทุกอยู่นี่คือข้อแรกของอริยสัจ ส, สีทุกข์สมุทยัยนิโรธมักเมื่อมีความรู้สึกหดหูเศร้าหมองวิตกกังวลไม่สบายกายไม่สบายใจอึดอัดขัดเคืองกุนข้องหมองใจขับแค้นใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บีบรัดให้วิตกกังวล ทุรนทุรายอยู่ในข่ายความทุกข์ทั้งสิ้นหากแต่บุคคลนั้นจะรู้หรือไม่ว่าตนเองกำลังทุกข์หากไม่รู้ตัวว่ากำลังทุกข์อยู่กำลังวิตกกังวลอยู่กำลังร้อนอกร้อนใจอยู่และไม่รู้ว่าคือทุกข์ที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วในจิตตนเองเมื่อไม่รู้ว่ากำลังทุกข์ก็จะจมอยู่แต่ในความทุกข์นั้นหลงติดอยู่ในอารมณ์ขุนข้องหมองใจกังวลทุรนทุรายสารพัด ก็จะเหมือนวนอยู่ในวงกลมที่หาทางออกไม่ได้แต่หากเขียนว่าที่เรากำลังทุกข์อยู่นี่นะเมื่อ น, นั้นก็จะเริ่มกระบวนการที่สองต่อไปก็คือหาสาเหตุแห่งความทุกข์หรือสมุทยัยทันทีว่าที่เราร้อนกระบวนกระวายใจวิตกกังวล น, นี้มีสาเหตุมาจากอะไรอ๋อเพราะห่วงเรื่องงานเพราะห่วงเรื่องแฟนเพราะห่วงบ้านเพราะเพื่อนว่า เพราะเขานินทาว่าร้ายเพราะอยากได้อย่างนี้แล้วไม่ได้เพราะถูกขัดใจสารพัดเมื่อเจอสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์เราก็จะมีวิธีจัดการกับทุกข์เหล่านั้นได้ไม่เกินกำลังแน่นอนผลที่เกิดแล้วหรือทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากเป็นความไม่สบายกายความไม่สบายใจซึ่งสิ่งนี้ต้องมาก่อนเกิดขึ้นก่อนและรู้ก่อนเห็นก่อนว่ากาลังทุกข์กาลังร้อนรอน เหตุให้เกิดทุกข์หรือสมุทยัยเมื่อรู้ว่าทุกข์แล้วจึงเริ่มหาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นทุกข์เพราะถูกเพื่อนว่าคนนินทาห่วงงานห่วงบ้านห่วงแฟนสารพัดปัญหาทางดับทุกข์หรือนิโรธเมื่อเจอเหตุแห่งทุกข์แล้วว่าทุกข์เพราะสาเหตุใดคราวนี้ก็เลยต้องหาทางที่จะให้ทุกข์นั้นเบาบางลงซึ่งจะมีการแก้ปัญหาในหลายรูปแบบแต่คนปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ ก็จะหัมาศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ถึงวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏัะสงสารคือการพ้นทุก์โดยสิ้นเชิงนั่นเองซึ่งถ้ได้วางแนวทางไว้หลายขั้นตอนหลายระดับซึ่งทางหนึ่งที่จะพ้นทุก์ได้ต้องเดินทางของมัสมีองค์8ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือมัสมกได้แก่อริยมัสมีองแปด อริยมรรคแปลว่าทางอันประเสริฐทางนั้นมีทางเดียวแต่มีองค์ประกอบ8ประการเป็นแนวทางที่ผู้แสวงหาทางพ้นทุกต้องนำมาปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เหล่านั้นจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับตามกำลังของตนและเมื่อปฏิบัติในทางที่ถูกต้องก็จะละจากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอุปทานขันห้าก็จะน้อยลงความทุกข์ก็จะเบาบางไปเรื่อย จนหลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงได้นั่นเองพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนในอริยสัจสี่ซึ่งมีแต่เรื่องของทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นนั่นแสดงว่าถ้าเราได้เห็นทุกข์ได้รู้จักทุกข์เมื่อนั้นเราก็มีโอกาสที่จะออกจากทุกข์ได้แต่ผู้ไม่เห็นทุกข์ก็จะเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์เพราะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์เขยังคงร้อนอกร้อนใจกระวนกระวายวิตกกังวลอารมณ์ขุ่นมัว ถยานอยากแล้วไม่ได้ดังหวังก็ทุรนทุรายแย่งชิงกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดย่อมหาทางออกจากทุกไม่เจอนั่นเองเราจึงควรรู้จักอริยสัจสี่อย่างง่ายายให้ถูกตรงในขั้นต้นก่อนเพื่อเอาตัวรอดจากทุกในวัตาสงสารนั่นเองเมื่อรู้ตัวว่ากำลังทุกให้หาสาเหตุว่ากำลังทุกจากเรื่องอะไรหาให้เจอมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง หรือหากแก้ไขอะไรไม่ได้การทำตัวเองให้เป็นทุกข์ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดดังนั้นก็ต้องใช้ธรรมะมาพิจารณาเพราะการไปอุปทานว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเราของเราจึงทำให้ต้องไปติดข้องอยู่ในวังวนทุกข์เหล่านั้นเมื่อเจอแนวทางการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันห้าแล้วก็นามาปฏิบัติเลยก็จะเห็นว่าความทุกข์จะเบาบางจางลงไปเรื่อย ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าก็จะจางคลายลงไปเรื่อยๆเช่นกันดังนั้นความทุกข์ก็จะกะกินไม่ได้อีกต่อไปลองดูมีแค่สีขั้นตอนเท่านั้นอาจไม่ยากจนเกินไปก่อนอื่นต้องคอยตรวจเช็คสภาวะอารมณ์ในขณะนั้นก่อนว่าตอนนี้อยู่ในข่ายไหนทุกหรือยังถ้าดูบ่อยๆทําบ่อยๆรู้เท่าทันขันห้าที่คอยแต่จะปรุงอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น เห็นบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเขินอายไปเองขออนุโมทนากับทุกท่านให้รู้เท่าทันธรรมชาติให้รู้เท่าทันทุกให้รู้เท่าทันอุปทานขันห้าแล้วหาทางจัด ก, การกับอุปทานเหล่านั้นให้สิ้นซากไปให้มันหมดเชื้อดับไม่ให้เหลือเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่กันอีกขอความเจริญในธรรม จงมีแดดทุกทุกท่านตลอดการเทิอน